ถือว่าอันใดที่ฟังแล้วเป็นเรื่องแปลกใหม่ขึ้นมาก็สงสัยก็ถามได้สิ่งไหนที่รู้แล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนเพราะคุณเจ้าที่มาที่นี่นต่างคนก็มีประสบการณ์ในการศึกษาและการปฏิบัติทรมมานานปีนะครับเพราะนั้นก็จึงไม่ไดบอกว่าแสดงธรรมนี่ว่าเป็นการสอบอารม์และสุนทร ธ, ธรรม ก็ทบทวนช่วงเช้าอีกทีหนึงเช้าเราพูดถึงว่าเรจะมาถึงวิธีการโ้อเทียนได้ผ่านการทดสอบทดลองอย่างอื่นมามากมายเนีมาถึงวิธีนี้แล้วก็ทดสอบแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรน่าสนใจก็ได้เรียนต่อนั่นเองก็ได้เอามาเล่าให้กันฟังพราะยังได้กล่าวในเช้าว่าคําสอนที่เราปฏิบัติ การ น, นี้เราตามที่วุฒิยาธิริจัดสรุ้เบื้องต้นเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกไม่มีคําสอนอะไรบันทึกไว้จนพระองค์พุทธิพานไปถึงสี่ร้อยห้าสิบปีกับห้ารอยปีสังคยานาขัตติสามี่รอยห้าสิบปีถึงไดมีการจจรึกบันทึกพระไตรปิฎกถ้าเกิดเป็นพระไตรปิฎกขึ้นมาโดยการเขียนต่อจากที่พระองค์ ปฏิพานมาก็เล่าๆสู่คนฟังมาเรื่อยๆสามรอยสี่ร้อยห้าร้อยปีเบื้องต้นที่พระองค์ก็ไม่ได้ไปศึกษาเรื่องพระไตรปิฎกที่ไหน่ไม่มีพระไตรปิฎกก็อาัยพระไตรปิฎกคือการค้นคว้าตัวเองแก่อนหน้ากระเจ้าศึกษาจากเจ้ารฐทิต่างๆนะ หลายสูตรที่อราีที่เรารู้จักก็อาลาดาดาบทอุตากดาบทจนกระทั่งพิสูจน์แล้วว่ามันก็ไม่ใช่คําตอบไม่ตอบประโยชน์ของท่านท่านก็เลยมาหาวิธีหาคําตอบเอาเองนะจนกระทั่งท่านได้พบวันเพนเดนหกวิสาขมาที่เรารู้จักกันนะได้พบว่าตั้งต้นจริงๆท่านมาดูชีวิตว่าชีวิตมาเริ่มต้นจากอะไรดูตรงไหน ในช่วงคืนวันนั้นถ้าเกิดความรู้สามประการความรู้ประการที่หนึ่งเรียกว่ารู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นมาอย่างไรพรอะอะไรมันถึงมาถึงวันนี้ได้ชีวิตมันเดินมาจากไหนมาถึงวันนี้ได้นี่ท่านก็ลำดับมาเรื่อยๆหลังจากที่ได้ค้นพบว่าเมื่อกายที่ท่านได้ความรู้ประเภทที่หนึ่งก็ไม่ใช่จู่ๆมันเกิดขึ้นนั่นนะก็มา หาคําตอบว่าเออบริเยณทางกายทรมานกายเพื่อหาคําตอบก็ไม่เจอก็ลองมาบริเพียณทางจิต ด, ดูบ้างมามาดูการทํางานของจิต ด, ดูบ้างดูกายมาเป็นหลายปีแล้วนยังไม่จบเนะีทีนี้ก็กลับทรมานกายเกือบตายมันก็ไม่ให้คําตอบไม่สามารถจะหาคําตอบจากกายได้ก็มาดูจิต ด, ดูบ้างอ ดูกายด้วยท่า น, นดูกายมาก่อนว่าชูๆจมาจจจมดูจิตเลยไม่ใช่อย่างที่เรารู้กันนะดูกายมาหลายปีแล้วแต่มาหาคําตอบยังมันไม่ได้เมื่อดูจิตเนี่ยพูดถึงลักษณะวิธีการของพุทธิยนเราไม่ได้เริ่มต้นในเรื่องว่าพระไตรปิฎกข้อไหนอย่างไรแต่เริ่มต้นข้อที่จริงของชีวิตนะเราเราไม่ต้องพูดถึงว่าพระไตรปิฎกเริ่มไหนอะไรต่างเพราะมันยังไม่มีสมัยที่ท่านแต่สรู้เนี่ยนะพอมาเปลี่ยนมารู้จิตมาเปไปทางจิต เขามีฐานกายมาก่อนแล้วอย่าว่ากายยานุปัปปสสนาท่านทรมมาเวปัสสาวาสนาธรรมแล้วก็เริ่มมาดูจิตเลยปัจจุบันนี้เราดูจิตโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ทำกายยานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยมันก็ไปดูมันก็ผิดเพี้ยนไปได้แต่สําหรับคนมีฐานแล้วไปดูจิตมันก็ง่ายขึ้นนะครับทังนั้นเมื่อพระองมาดูอย่างนี้ดูกายดูจิตดูกายดูจิตใส่กันไปใส่กันมาอ๋อก็เห็นว่ารู้ว่ากายมันมาจากไหนจิตมาจากอะไรตั้ง พ่อสังเกตถามยมจนเช้าว่ากายกับจิตนี่ใครเป็นคนสร้างใครใครมาก่อนใช่ไหม ช, ช่วงเช้าแล้คําตอบว่าไงใครมาก่อนจิตมาก่อนใช่ไมมนุษย์ปุพังก็มาทํามาเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใจมาก่อนใจถึงก่อนสําเร็จแล้วที่ใจเจมเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจพิพูนําเพราะนั้นเราจ ะ, ะคิดดีคิดชั่วก็วได้ผลมาจากนั้นถ้าคิด จิตไม่ดีการพูดการทําการคิดก็ไม่ดีถ้าจิตดีการพูดการทําการคิดก็ดีก็มีผลต อ, อมานะเรเลยมาเฝ้าดูการดึงจิตที่นี้เฝ้าดูจิตแล้วชีวิตที่เรานั่งอยู่นี้มาจากไหนเริ่มต้นตรงนี้ท่านค้นหาคําตอบนะมันมาจากไหนท่านก็เกิดการเรียวกว่าวิจัยก่อนว่างั้นเถอะไม่ใช่นี่เลยนะที่พระอาจารย์ท่านตั้งประเด็นไว้ว่าเป็นธรรมวิจัยแล้วก็จะวิจัยจุดนี้ตามความเป็นจริงว่างั้นเถอะ ไม่ต้องเอาเรื่องตำรามาตั้งกันละแต่จะมีการอ้างอิงถึงบ้างไม่เป็นไรนะก็รู้รู้ว่าเมื่อมาดูกายดูจิตเข้าด้วยกันก็เมื่อคำตอบไอ้กายเราม่นั่งตัวนี้มันมาจากไหนอ่ะอ่าขนาก็ลังดับไปแบบธรรมดายี่สิบเก้าปีมาปีนี้เป็นปีที่สาสิบห้าแล้วเนี่ยมาจากไหนมาจากท้องแม่ใช่ไหมเออนที่เราเข้าไปท้องแม่เราเข้าไปได้ยังไงเี่ย มันก็จะต้องมีการพบกันระหว่างคนสองคนพ่อกับแม่พบกันเราพ่อกับแม่พบกันท่านคิดอย่างไรท่านจะเกิดมีเราเราพอเราคิดถึงกันแล้วเกิดมีเราก่อนที่เราจะมาเข้าอยู่ในท้องท่านเนี่ยพ่อกับเห็นแม่แม่ก็ไปเห็นพ่อเห็นแล้วเกิดความรู้สึกกี่อย่างแต่เชา้าเกิดความรู้สึกกี่อย่างสามอย่างใช่ไหมหนึ่งความรู้สึก ชอบสองความรู้สึกไม่ชอบสามความรู้สึกเฉยเฉยเนะี่ยอันนี้พื้นฐานที่สุดของคนทุกคนไปอย่างนั้นหมดจะมีความรู้สึกสามอย่างเนี่ยทีนี้บังเอิญว่าบาสาวคนนี้เห็นกันแล้วลึกเกิดความชอบเกิดขึ้นใช่ไหมทีนี้ความชอบมันมาจากไหนแล้วก็ตามไปอีกทุกคนความชอบมันจะจู่ๆมันมาเลยหรือก็ไม่ใช่ ความชอบมาจากสัญชาตญาณหนึ่งสัญชาตญาณทุกคนมีความรู้สึกสามอย่างคือความรู้สึกสบายไม่สบายระหว่างรู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆคนส่วนใหญ่ชอบรู้สึกอะไรชอบความรู้สึกอะไรความรู้สึกสบายใช่ไหมทำอะไรก็รู้สึกสบายออทีนี้ความสบายมันก็เกิดเป็นทุกคนต้องการรักสุขเกลียดทุกเมื่อมีความสบายกายแล้วก็ชอบความสบายกายความชอบความสบายกายมันก็เป็นความชอบความสบายจิต ความสบายใจก็เกิดขึ้นความชอบเกิดขึ้นมาจากสัญชาตญาณของสัตว์นั่นเองคือต้องการความสบายใช่ไหมแล้วต้องการความสบายดีเพิ่มก็ามีอีกสแสวงหาความสบายเพิ่มเรื่อยหาแสวงหาความสุขใช่ไหมแสวงหาความสุขได้กินแค่นี้ไม่พอต้องกินมากกว่า น, นี้กินมือเดียวไม่อพอท้องสองมือสา ม, มือไปเรื่อยๆกินแล้วมือหนึ่งไม่พอต้องมือเล็กมือน้อยไปเรื่อยเพราะมันความชอบความชอบที่นี้เกิดจากสัญชาต ญ, ญาณทางไหนตา หูจมูกลิ้นกายใช่ไหมขันชัตติยานนั่นแสดงว่ามันจะต้องมีการกระทบก่อนสิ่งที่มากระทบตาปับ๊บเกิดความรู้สึกสามอย่างสิ่งที่มากระทบหูปับ๊บหูตาจมูกลิ้นกายกระทบแล้วเกิดความรู้สึกสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งว่างั้นเถอะบางครั้งก็ชอบบางครั้งก็ไม่ชอบทีนี้บังเอิญบ่าวสาวคูเนี้เห็นกันแล้วก็ชอบกันเพราชอบกันก็คิดถึงกันต่างคนก็คิดถึงกันชอบไปชอบมาไอความชอบนี้มันก็ไม่ใช่เจอกัน ปีนี้ปีเดียวครั้งเดียวชาติแล้วก็คุณจะได้เจอกันแบบนี้ก็มาชอบกันอีกอ๋อมาจากความชอบความชอบนี่เองทําให้เกิดความชอบใจและความชอบใจนี่ก่อให้เกิดอะไรความสบายกายมาจากความความชอบใจมาจากความสบายกายใช่ไหมความสบายกายสร้างความชอบใจขึ้นมาเรียกว่าโสมนัสเวทโสมนัสเวทนา นี่เราเริ่มอ้างถึงภาษาตำราแล้วนะความชอบใจแล้วก็วชอบทางกายเรียกว่าสุขเวทนาเมื่อความรู้สึกสบายผ่อนคลายแล้วก็ชอบก็ชอบเมืเกิดโสมนัสเวทนาก็คือรู้สึกชอบใจเมืเ่อแต่ว่าผู้ที่ตามสัญชาติญาณของสัตว์แล้วเนี่ยเมื่อเกิดความชอบตามลําดับเนี้ยเขาจะมีสติรู้ไหมว่าตอนนี้ความไม่ความสบายทางกายเลืมเข้าไปสู่ใจว่าฉันชอบใจแล้วนั่นเขามีสติรู้ไหม ไม่รู้นั่นเพราะตัวไม่รู้นี่เองก็ความชอบใจจึงไม่ได้อยู่แค่นั้นมันก็เปลี่ยนมาเป็นความอะไรติดใจจิตใจภาษาเขาเรียกว่าอะไรอะพิชาอภิชาโลเกถูกมั้ยนะความติดใจเออไม่ชอบก็อยากจะได้ให้มากกว่านั้นความติดใจก็เลยกเสพข้อเสพเพลินในในความติดใจนั้นเรียกว่านันทิอ่า ระหว่างความติดใจเปลี่ยนเป็นนันทิเขารู้ตัวไหมว่ามันเปลี่ยนเป็นนันทิแล้วนะฉันชอบฉันเพลิลนอะไรนี่ไม่รู้อีกเพราะไม่มีสติไม่มีตัวรู้ใช่ไหมอ้าวไม่มีตัวรู้ทีนี้ไอ้ น, นันทิคือความเพลินพุทธเจ้าบอกให้ละนันทินะแต่ว่าเราเราผ่านไปก่อนตรงนี้มาถึงประเด็นนั้นแลน้วนันทิมันอยู่แค่นั้นไหมเพราะนันทิมันเกิดจากหลักของอะไรไตรลักใช่ไหมความจรงิงทั้งหมดอะที่มันเกิดขึ้นไปตัวเัียวคืมาจากกุฎไตรลักษ มันจะอยู่ที่เดิมไม่ได้มันทนอยู่ที่เดิมไม่ได้ความสบายกายทนอยู่ที่เดิมไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นความสบายใจความสบายใจทนอยู่ที่นดิก็เปลี่ยนเป็นความติดใจความติดใจทนอยู่ที่เดิมไม่ได้เพราะมันเป็นทุกขังในตัวของมันก็เปลี่ยนมาเป็นนันทิคือความเพลินในความติดใจนั้นเพราะความเพลินแล้วก็ให้เกิดอะไรต่อไปมันก็อยู่ต่อไปไม่ได้ก็เปลี่ยนนันทิเป็นราคะ <'t> นันทิราคะสหคตะใช่ไหในธรรมจัก ราคาระหว่างนั้นที่เปลี่ยนเป็นราคาเนี่ยท่านมีสติรู้ไหมก็ไม่รู้เพราะไม่มีตัวรู้ทีนี้พอมันเปลี่ยนเป็นราคาราคาจำกัดอยู่แค่นั้นัหมอยู่ไม่ได้เพราะเป็นไปตามกฎธรรมจังราคาก็เปลี่ยนเป็นอะไรกามฉันทะมาเป็นตัวที่หนึ่งของนิวรณ์เลยนะเห็นไหมมันตัวที่สบายกายเปลี่ยนมาเป็นตัวสบายใจชอบใจ เปลนไปติใจมาเพลินใจมาการมาฉันทะใคร่อยากลำดับที่ห้าถึงมาเป็นตัวที่หนึ่งของการมาฉันทะแล้วรู้ไหมว่าตัวนี้ราคาเป็นปนการมาฉันทะนะั่นรู้ไหมก็ไม่รู้อีกใช่ไหมอ่ามาเป็นอุปสรรคตัวที่หนึ่งแล้วนะหนึ่งสามสี่มายังไม่เป็นอุปสรรคท่านไหนมาเป็นตัวที่หเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติแล้วการมาฉันทะสําหรับคนทั่วไปคือความใคร่ในการมในแง่ของอายตนะใช่ไหมแต่สําหรับนักปฏิบัติไม่ใช่แล้ว มีภาวะวุฒิภาวะจิตสูงขึ้นมาแล้วเพราะนั้นภาวะของผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติกรรมะฉันท่าต่างกันกรรมฉันทาของผู้ปฏิบัติมันจะออกมาในรูปของอะไรทำไปถึอมามันไม่สบายอะ่ะใช่แต่เราชอบอยากจะให้มันสบายติดความสบายพอทำอะไรยกมือนี่ไม่สบายนั่งนานๆไม่สบายใช่ไหก็ไม่ชอบอ่าเพรเราติดกรมฉันทะ พอไม่ชอบพอไม่ได้อย่างใจปั๊บเกิดอะไรเกิดขัดใจพยาปาทะมาละขัดใจก็อึดอัดขัดเคืองตามมาตามลำดับอ่านิวรณ์ตัวที่หนึ่งที่เราไม่รู้เท่าทันมันแตกตัวมาเป็นตัวที่สองคือพยาบาทะคืออาดขัดเคืองใจอ่านี้มันตัวสูมโติมาถูกตอบสนองการมชันทะถูกตอบสนองคือความพอใจ มีสติไม่รู้ไม่รู้เท่าทันอีกกามฉันทะก็เปลี่ยนมาเป็นตันหากามตันหาเมื่อตันหาขยายตัวเป็นสามตัวมีสติรู้อีกั้ยไม่รู้เพราะไม่ได้เจริญสติตันหาก็เปลี่ยนมาเป็นอุบาทานก็เปลี่ยนมาเป็นโลภะหลงพ่อจะไปไว้เลยนะเพราะราลอีดีเยอะระหว่างโลภะรู้เท่าทันไหมไม่เท่าทันก็มาเป็นราคานุไยสโลภานุาย้ยสเป็นกามุปาทาน แล้วกลายมาเป็นกามาสะวะดูดิรู้ท้องมันน่ะไปถึงกามาสะวะคือการติดใจชอบใจเป็นนิสัยเป็นบุคลิกลักษณะไปเลยเห็นใครเขาชอบนอะไรก็รักโดยที่ไม่รู้ตัวเลยทีนี้มันไวมากมันพัฒนามาจากหนึ่งอะไรสุขเวทนาไม่มีสติตามรู้ทันสุขเวทนาพัฒนามาเป็นโสมนัสเวทนาไม่มีสติรู้ทันอีกโสมนัสนาเปลี่ยนมาเป็นอภิชา อภิชาก็ร e ู้ไมเท่าธานิกเปลี่ยนมาเป็นนันทินันทิก็ไม่รู้ธานิกเปลี่ยนมาเป็นกามาชันทะเป็นมาเป็นกามตัญหาเป็นมาเป็นพะวัตัญหาเป็นมาเป็นวิพะวัตัญหาเป็นมาเป็นอุปาทานเป็นมาเป็นกามุปาทานเป็นมาเป็นโลภะเป็นมาเป็นราคะนุสัยเป็นมาการตั้งสิบ ตัวอย่างสิบห้าอย่า ง, าางกูจะมาลงตัวเนี้ยเห็นไหมอันนี้ลําดับให้เห็นไวัยนะแต่เนื่องจากขาดอะไร ต, ตัวเดียวถึงมันขยายรากไปขนาด น, นั้นการมาฉันทะขยายรากไปขนาดนั้นเพราะอะไรขาดอะไรขาดตัวรู้อ่ามันถึงขยายรากไปเรื่อยเพราะไม่ได้รับการลดน้ําคือตัวไม่รู้อวิชชาท่านก็มาจับตัวนี้เลยเ ก, กิดรู้ขึ้นอ๋อตรงนี้เองเพราะไม่รู้มันจึงเกิดสิ่งนานาขยายลากมาอย่างนี้ แล้วถึงได้อ๋อในสิบห้าอรูปที่มันมาตามลำดับเนี่ยตัวไหนที่ผู้ที่เจ้าให้ความสำคัญตัวระหว่างกลางคือตัวตัณหาอ่าท่านรู้อ๋อตัวตัณหาเนี่ยมันมีที่ไปที่มาตั้งแต่น่นความสบายกายด้วยความไม่รู้ท่านทบทวนไปทุบทวนมาพอมาถึงตรงนี้ป๊บท่านอ่า สว่างอุทานออกมาแรกเลยอุทานว่างไงครั้งแรกที่มาเห็นรากของตัญหาท่านอุทานว่างไงอันเนกชาตารีสร้างซาลังแล้วเสดทุกวันใช่ไหมสั่นถาพีสั่งอันนี้พีสร้างไม่กี่ส่วนไปไปไถึงอันนี้พีสร้างข้าหาการังเขเวชันโททุข่าชาติปุณะ ป, ปุณังอ๋อเมื่อเราไม่มีสติไม่มีตัวรู้จิตของเราเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นอนเนกอนันต์ราชาติบัดนี้เรารู้แล้วว่าใครเป็นผู้ทําให้จิตหมุนไป ผู้ขายชาติปุณณพุนังทําให้จิตมุนไปทุกเกิดบ่อยๆเพราะไอ้ตัวตัวตัวอยากนี่เองอ่าดูก่อนเจ้าหาเจ้าตัวเรารู้จักเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะมาทำเลือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปอ่าโค้งเลือนแล้วก็หักเสร็จแล้วยอดเลือนโค้งเลือนคืออะไรขันนั่งห้ายอดเลือนคืออะไรคืออวิชาลือและวิสังขารักขังจิตตันตัญหาหนังขยามัจฉาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรที่จะมาปรุงไม่ได้ต่อไปมันได้ถึงความสิ้นอยาก ขืนนิพานอุทานแรกเกิดขึ้นเลยท่านก็ดูต่อไปอีกอ๋อนี่ความรู้ประการที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วปุเพนิวาสานุสติยานได้รู้ลำดับความเป็นมาว่าก่อนที่จะมาถึงจิตมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรแต่ในคำพีท่านบอกโอ้เรียนได้รู้อดีตชาติชาติแนวไปเกิดอย่างนั้นเป็นก็เป็นคำพีห้าร้อยชาติพระเจ้าห้าร้อยชาติขึ้นมาคัมภีค์อะไรอะ พระเจ้าสิบชาติขึ้นมาใช่ไหมบำเพ็ญบรารมีชาติโน้น ช, ชาตินี้อันนั้นสมมุติก็ว่ากันไปละแต่ความจริงก็คือขณะจิตแค่นั้นเองว่าลําดับรู้มาไปอย่างเงี้ยแล้วแต่สมมุติกันไปก็กลายเป็นศีลธรรมเป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรเป็นอันนั้นมาเราก็มาใช้กันแต่เป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นเรื่องของสมมติแต่ปรมัติคือจุดเนี้ยจุดเกิดของมันได้รู้ที่ไปเมื่อลําดับนี้อ้าว <c oughs> แล้วถ้า ตัวสุขเวทนาเนี่ยมันทําให้เกิดรากอย่างนี้แล้วสุขเวทนานี้เป็นไปตามกฎของอะไรไมันไปตามกฎของนิจังเมื่อดำกฎของนิจังแล้วสุขเวทานาจะทนอยู่ได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรความสบายเปลี่ยนเป็นความไม่สบายอ่าความไม่สบายทางว่าความสบายเป็นไปตามกฎของนิจังเพรง มันจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนมาเป็นความไม่สบายจากสุขกเวทนาเปลี่ยนมาเป็นทุกขเวทนาเพราะนั้นสุขกับทุกเป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่งอคนละสิ่งเดียวกันสมัยนี้เขาเขาชอบสำนวนอย่างนั้นคนละสิ่งเดียวกันมันเป็นคนละสิ่งเดียวกันนั่นแหละคือเพราะมันเป็นไปตามกฎของอนิจจังความ เดี๋ยวนั่งนั่งสักพักแล้วก็เปลี่ยนเลยใช่ไหมไม่เปลี่ยนไปไงอ่าไม่สบายไม่สบายเพราะว่ามันทนอยู่ไม่ได้เพราะว่าที่ทนอยู่ไม่ได้มันจึงเปลี่ยนไปว่าอนนีจังอันนีนน้ทุกขังอนนีจังกับทุกขังจะผูกติดกันเนี่ยความสบายมันทนอยู่ไม่ได้มันก็เปลี่ยนไปความเมื่อกี้พอเราขยับปั๊บสุพนาเกิด e ใช่ไหมนั่งไปสักพักหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นความไม่สบายนะเพราะคลมๆเงยๆไม่สบายเหมือนกัน มันไม่เที่ยงกันทำไมนี่นะเที่ยงอะเปอยูง่คุณเจ้าปรับม่อยๆได้เลยครับเห็นไหมนี่คือลักษณะของอนิจจังอย่างแต่ความที่เราใช้สติปัญญาในการจัดให้มันถูกมันก็คงที่ระดับหนึ่งนะเพราะนั้นในส่วนของไอ ในส่วนของการใช้ตัวรู้ตัวเนี้เพราะการสังเกตไปสังเกตมาตัวรู้ท่านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอ๋อมิกี้เราลําดับว่ารากรู้ของสุขังสุขเวทนามันไปถึงนู่นไปถึงกามาสะวะทีนี้ก็ไม่รู้อีกว่าไอ้ตัวนี้มันขยายไปถึงสิบห้ารากขนาดนั้นนะก็มาดูว่าเพราะอะไรเพราะว่าเป็นกฎของนิจังก็คือตัวก็ย้อนขึ้นมาอ๋อนิจังมาจากไหนอะ นี่นีคือลักษณะของผู้ดีเจ้าอะไรเกิดขึ้นป๊อเนี่ยถ้าจะตามเลยเ อ, อันนี้จังมาอย่างไหนก็ให้เกิดทุกขังอันนี้จังกับทุกขังอ่ะทำไมอันนี้กายานุไปตัวสุ ข, ขังแล้วก็เกิดแสดงว่ามันจะต้องมีตัวร่วมอนนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้สุขทุกแล้วก็อะไรอทุกรรมไม่สุขแสดงว่ามันจะต้องเป็น ตัวร่วมใดอันนึ่งไอใดหนึ่งแสดงว่าอนิจจังสุขังเข้าเดียกันไหมทุกขังกับทุกขเวทนาทางกายไปด้วยกันได้ไหมแล้วก็อนัตตากับตัวอทุกขมสุขเวทนาไปด้วยกันนี่นี่นี่มันมันบอกลางบอกเหตุว่ามันแมทกันตรงนี้อ้าวถ้างั้นก็แสดงว่าตัวอนิจจังสุขก็ต้องเป็นอนิจจังและถึงเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้มาเปลี่ยนมาเป็นทุกขัง คือตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อทุกขังอยู่นั้นเราเราทนอยู่กับที่ได้ไหมบังคับให้มันหมดบังคับมันชาให้หายได้ไหมความไม่สบายเกิดขึ้น ไ, ไม่ได้ความเวลาเราเปลี่ยนไปไม่ให้มันเบาเนี่ยโอความจริงมันเป็นเหตุเท้าไปเตะมันนี่ <laughs> ขอโทษเท้าด้วยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันหย่อนไล้วก็ตามมาเรนะื่อยๆนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวภาวะที่ทุกขังทนอยู่ไม่ได้ แล้วบงังคับบัญชาให้มันหายไตามต้องการไม่ได้เนี่ยเป็นเป็นลักษณะของอะไรของเป็นภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้เป็นอะอะไรอนัตตาอ่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นอนัตตาจึงมีสองความหมายความหมายของสมถะคือมันไม่เป็นตัวโดดๆมันประกอบกันเข้าสิ่งหลายสิ่งมันไม่มีตัว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยดุยด ด, ดุต้องอาศัยกันเกิดขึ้นนะั่นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเพราะฉะนั้นเราใช้ปัญญามากๆเลยเห็นมเพราะนั้นเมื่ อ, อเป็นอย่างนี้ตรงนี้ต้องย้ําตรงนี้เพราะเป็นเรื่องสําคัญนะที่คือเรื่องวิจัยต้องให้ละเอียดตรงนี้ว่าตัวไม่สบายตัวสบายเป็นมาจากเป็นความไม่สบายความสบายก็มาจากความไม่สบายและความไม่สบายก็มาจากความสบายสุขก็มาจากทุกข์เพราะนั้นสุขกับทุกข์ก็อันเดียวกัน ว่าเราเข้มขึ้นมันเป็นทุกข์มันอ่อนลงมันเป็นสุขสิ่งเดียวกันใช่ไหมเพราะนั้นเราสแสวงหาสุขก็เท่ากับสแสวงหาอะไรหาทุกข์นั่นเองจบไหมไม่จบมันก็จะสแสวงหาไปอย่างนี้ตลอดเวียนไหวแต่เกิดกี่พกี่ชาติดาบใดที่เราสแสวงหาสุขกัเวทนาอยู่เราก็จะไม่จบเวียนอยู่อย่างนี้กี่หมื่นกี่แสนชาติในที่สุดท่านก็ได้คมรู้ขึ้นมาว่า เมื่อเป็นอย่างนั้นเวทนาทั้งสามก็มาจากไตรลักษนั่นเองไตรลักเป็นของที่มีอยู่ก่อนไหมของมีอยู่ประจําโลกก่อนไหมมีอยู่ก่อนแล้วถ้ามันมีอยู่ก่อนมันก็ต้องมีที่เกิดมันต้องมีที่มาแล้วที่มามันคืออะไรไต ร, รักษอันนี้อย่างทุกหาน้าตาเพราะในพุดธศาสนาถือว่ามีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญต้องมีเหตุใช่ไหมอันนี้เหตุของเหตุอะเหตุของเหตุคือ เราก็นึกว่าใจรักเป็นเหตุต้นที่สุดแล้วอา้าแสดงว่า ม, มันมีที่ไปที่มาจริง ไ, ไหมมันต้องมีที่มาแล้วตจรักมาจากอะไรเพราะเรารู้ว่าเวทนาทั้งสามกายเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางจิตก็ดีนี่เราพูดถึงเวทนาทางกายอย่นี้นไปเวทนาทงจิตไม่ได้นะเพรยังไม่จบตรงนี้ว่าเวทนาทางกายทั้งสามเนี่ยมันเกิดมาจากตจรักษแล้วใจรักเกิดมาจากอะไรอย่าลืมหลักว่าตจรักษณ์ในตัวอนิจจัง กับทุกขังเนี่ยอ น, นิจังกับทุกขังตัวไหนเป็นตัวเกิดตัวไหนเป็นตัวดับในโลกเนี่ยในจักรวาลมันมีพลังอยู่แค่สองอย่างมขีของสองสิ่งคือรูปธรรมกับนามธรรมใช่ไหมในส่วนที่เป็นนามธรรมภาษาวิทยาศาสตร์เขาใช้คําว่าเอเนจีถ้าในส่วนที่เป็นรูปธรรมทางภาษาวิทยาเขาเรียก อ, อะไร โมเลกุลหรือมชใช่ไหมอ่าเอเนอร์จีและโมเลกุลคื อ, อสสารและพลังงานพลังงานคือตัวนมามธรรมแล้วก็ตัวสสารคือตัววัตถุเพราะนั้นโลกนี้มีแค่2 อ, อย่างคือสสารพลังงานแต่ภาษาธรรมะเราเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมมีแค่2 อ, อย่างในโลกจกักรวาลนี้มีแค่2 อ, อย่างสแสดงว่าของสาอย่างคือแต่ละเกิดมาจากของสองอย่างของสองอย่างคือการสสารกับพลังงานตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับ อะไรมีอยู่ก่อนระหว่างพลังงานกระทุกกับสาสารในจักรวาล น, นี้โลกนี้ก่อนที่มันจะเป็นจักรวาล น, นี่มันมืดมาก่อนนะไม่มีอะไรเลยเป็นพลังงานมืดพลังงานอันหนึ่งจะเป็นพลังงานมืดและต่อมาก็เกิดะอะไรนะเกิดความอมันไปไกลทีเดีย น, นะตั้งแต่พรหมมาเจอโลกนี้มันเป็นเหมือนวุ้นน่ะตั้งแต่นู่นเลยนะยังไม่เกิด ไอ้บิ๊กแบงยังไม่มีนะบิ๊กแบงนี่ทีหลังมากนะก่อนหน้าได้แต่พรมมาเห็นโลกเนี้ยมันมันเป็นโลกกลมๆเป็นก้อนกลมๆเป็นวุ้นอยู่บุ้นเนี้เกิดมาจากอะไรจากน้ําจากอากาศจาผสมท่าสี่มาจากท่าสี่ดินน้ำรูปไฟนี่ทั้งสองอย่างเนี้ยง่ายเข้ามาก็คือตัวพลังงานเป็นตัวดับเพราะมันมีอยู่ก่อนการดับมีอยู่ก่อนเมื่อเกิดผสมประสานของท่าสี่ดินน้ําูปไฟก็เกิดเป็น สะสารเป็นเริ่มเป็นวุ้นมาจากน้ำมาจากลมก่อนก่อนหน้านั้นก็มาจากพรอาทิตย์เป็นจากไฟไฟก็มาเป็นลมแล้วมาเป็นน้ำแล้วมาเป็นดินดินเกิดที่หลังเพื่อนธาตุสี่นั่นเองมาเกิดตัวรูปธรรมก่อนหน้านั้นนามธรรมามันมีอยู่แล้วนามธรรมาจึงเป็นภาวะดับมีภาวะการเกิดดับนั่นเองในจกักรวาลนี้มีแค่สองอย่างและสองอย่างนี้เมื่อมันตัวอนิจจัง คือการปูนเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงตัวเองของธาตุสีอันนี้เราไปไกลมากนะมันจำเป็นอ่ะเพราะอันนี้ก็เป็นปุเพนิวาสานุสติยานถ้ามันไม่ลึกละเอียดขนาดนี้มันเป็นปุเพาสานิวาสานุสติยานไม่ได้ นี่คือในที่ส่วนที่เป็นปรมตัตนะที่เป็นสมมุติเขออกมาโอ้เกิดชาตินั้นเป็นอันนั้ น, nun, ơn, ban, น, นเกิดชาตินั้นเป็นร้อยชาติหมื่ชาติแสนชาติมีผู้ทีเจ้าพัฒนาทุน ธ, ธรรมมาเป็นขนาดนั้นนะแต่นั่นเป็นความรู้ที่เป็นสมมุติแต่ปรมัดมันเป็นมาอย่างนี้ที่นักวิทยาศาสตร์จะเชื่อได้แต่าตามที่ว่าเกิด น, นั้นนี้โดยที่ตามสมมติที่เราพูดในพัฒนาบิดกรฤลในในชาด ก, กนั้นก็เรียกว่านักวิทยาศาสตร์มันรับไม่ได้เพราะมันไม่มีที่ไปที่มาแต่ที่เราพูดกันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์รับได้ เพราะมีที่ไปที่มาใช่ไหมต้องว่ากัตามปรมัตดที่เป็นรูปธรรมเสร็จแล้วอะนิจจังเป็นตัวเกิดเรื่องตัวดับเพราะฉะนั้นตัวอะนิจังจึงมีมาก่อนทุกขังเนี่ยเพราะมันมีเกิดดับในตัวของมันเองได้ออ น, นิจังเนะเพราะมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะต้องมีการหมุนเวียนแล้ใช่ไหมเกิดดับในตัวของมันเองได้เขาเลยเป็นปรามานูไงเป็นอนุภาคได้เดนุนมาเลย พนเพราะฉะนั้นจะเป็นนิวเคลียสที่มันมีการขยับอยู่ตลอดเวลาทุกอนูใช่ไหมมีการแตกอยู่ตลอดเวลาเขาจึงค้นพบเรื่องปรมาณูไงมีการระเบิดอยู่ตลอดเวลาการระเบิดของอนูนั่นเองที่มันไม่อยู่คงที่เรียกว่าทุกขงังการเกิดก็ตามมาเพราะการระเบิดของอรตอมอะตอมภาคแล้วก็กลายมาเป็นกฎของการเกิดดับพระพุทธเจ้าพิจารณานี้ไปได้ยานที่สองจุตูปปาตยาน พิจารณาไข่คนจนไปถึงต้นตอของไอ้ที่มาของไอ้ตัวการเกิดเนี้ยพิจารณาอย่างเนี้ยมาเป็นตัวที่สองคือจุตูปบาตรยานแต่ในจุดุปบาตรยานในคัมภีพระพุทธเจ้าเห็นการเกิดสรมภัสต์ที่เกิดก็เห็นแน่นอนเลยไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะอะไ ร, ส, รสัมภัสต์ทั้งหลายก็เกิดมาจากตัวสิ่งเหล่านี้มาจากอนุมาจากปรามณูมาจากกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสรัมสัตว์เกิดมาจากนี้ ท่านเห็นตัวปรมัตดตรงนี้สมมุติก็ต้องพูดไปอย่างนั้นถ้าจะพูดอย่างปรมัดที่ท่านที่พระ อ, องค์ตรัสนี้คนจะเข้าใจไม่ได้เพราะเป็นปรมัตดใช่ไหมเว้นแต่ผู้เรียนวิปัสนาผู้เข้าถึงสภาวะก็จะวิจัยมาเห็นตรงนี้ได้แต่ชาวบ้านธรรมดาก็จะไปรู้เรื่องไม่รู้เรื่อ ง, องแต่บอกว่าเออเนี่ยแกเกิดมาพ่อใหญ่เกิดมาชาตินี้ชาติแล้วพ่อใหญ่เคยเป็นพระนะชาตินี้ถึงได้มาเข้าวัดถึงมาเริ่มใสไป็ลูกบวชทำไล้ใช่ไหม เอยายมุลในชาติแล้วแกคงจะเป็นชีนะชาตินี้เกิดมาเป็นยายมูลเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆอย่างนี้นะเออถ้านอย่างนี้มันก็สา ม, มารถสื่อข้อหมายกันได้ใช่ไหมเออเนี้ยการเกิดดับแบบแบบสมมุติต้องว่ากันอย่างนี้ถึงจะเข้าใจอา่อาแล้วย้อนชาติก่อนเคยเป็นพ่อพรหมมาก่อนชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์อา่านี่ว่าเข้าวัด <laughs> อย่างนี้เป็นต้นนะลักษณะเงี้ยสื่อข้อหมายกันได้แล้วใช่ไหมว่าเออเห็นการเกิดดับอย่างนี้เป็นรูปธรรมพิสูจน์ได้นะ เมื่อเป็นอย่างนี้อ๋อถ้าอย่างนั้นเมื่อมันมีที่มาคือปุเพนะนิวาสานุทิยานและมันมีที่เกิดคือจุตูปปัตยานแล้วมนุษย์เป็นทุกข์เพะอะไรลูมทีนี้เพราะไปสำคัญตัวตนที่เกิดมาด้วยอำนาจของสิ่งประกอบทั้งหลายนะ่ะเป็นตัวเองตัวทุกข์มันเกิดตรงนั้นไปสาคัญผิดเพราะนั้นเวลา เวลาจะไม่ทุกต่อไปก็มีทางเดียวคือต้องเอาความสำคัญผิดออกไปสำคัญผิดว่า น, นี่คือตัวเราของเราใช่ไหมแต่วความจริงมันไม่ใช่มันประกอบมาตั้งแต่แรกแรกนั่นอะไรท่าสี่นล้มาเกิดขันห้าใช่ไหมหลากเดิมของมันนะมาเกิดขันห้ามาเป็นอายะตะนะสิบสองาสี่แปดอินทรีย์หก็ว่าไปตามเรื่องแล้วทีนี้เป็นวิปัสสนาภูมิแล้วตอนนี้เห็นไหม ถ้าอย่างนั้นเราก็เอาตัวก็พยายามเอาออกด้วยขจัดอาสวะเอาอะไรมาขาจัดก็เกิดตัวรู้เรียกว่าวิชาไอการที่ไปเห็นลําดับของการเกิดอย่างนี้ยเขาเรียกวิชาเกิดแล้ววิชาที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณคือรู้เรื่องที่ไปที่มาแล้วรู้กําเนิดของมันด้วยคือจุตูปปาตยานแล้วก็ถ้างนั้นก็รู้วิธีที่จะเอาทุกขเอาเหตุของทุกออกได้สิ นั่นก็คือเอาอะไรออกความพอใจและความไม่พอใจเพราะทุกมันเกิดที่ทุกที่เป็นสมุทัยคือเกิดทางจิตใช่ไหมแต่ทุกที่เกิดทางกายนี่เป็น ไ, ไ, ไม่เป็นสมุทยัยเป็นอะไรเป็นสภาวะเป็นธรรมชาติแต่เราสามารถที่จะเข้าไปใช้ให้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาให้เกิดปัญญาที่จะให้เกิดวิชาเพื่อที่จะไปตามเห็นว่า ตัวไตรลักษณ์ทางรูปเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวไตรลักษณ์ทางนามได้อย่างไร